พรหมวิหารสี่ประการที่สองารุณาภาวนาโยคีบุคคลผู้มีความประสงค์จะเจริญกรุณาพรหมวิหารนั้นประการแรกพึงตเตรียมการทำบุพกิกตเบื้องต้นเสียให้เสร็จสิน้นนับแต่ตัดปริโพธ์ความกังวลสิบประการให้สิ้นห่วงตลอดจนถึงการนั่งนอาสนะอย่างเรียบร้อย เหมือนอย่างที่ได้แสดงเวลาในเมตตาภาวนาครั้นแล้วพึงพิจารณาให้เห็นโทษของวิหิงสาคือการเบียดเบียนสัตว์และอนิสงของกัุณาเสียก่อนเมื่อได้เห็นโทษและอนิสงอย่างเด่นชัดแล้วจึงเริ่มลงมือเจริญกัุณาพรหมวิหารต่อไปโทษของวิหิงสาและอนิสงของกัุณา ก็และคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีชาติสันดานชอบทรมานเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยมือของตนบ้างด้วยการคว้างด้วยก้อนดินบ้างโดยทุบตีด้วยท่อนไม้บ้างด้วยฟันแทงด้วยสตราอาวุธบ้างหรือด้วยวิธีการอื่นๆอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างก็ผลวิบากอันเลวทรามของการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเช่นนั้นย่อมจะตามสนองเขาทั้งในโลกปัจจุบัน และโลกอนาคตโดยไม่ต้องสงสัยเป็นความจริงทีเดียวผู้ใดเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยการทำให้ถึงส้นชีวิตบ้างด้วยการตัดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งให้ทนทุกข์ทรมานบ้างด้วยทำให้เสียทรัพย์บ้างด้วยทำให้เสื่อมลาบบ้างด้วยทำให้พลัดที่นาคลาที่อยู่บ้างด้วยทำให้เสียผลประโยชน์บ้าง ด้วยทําให้เสื่อมยศบ้างโดยทําให้เก้อเขินในที่ประชุมบ้างโดยที่สุดแม้ด้วยการจ้องจับผิดตามความจริงอันการเป็นอยู่ด้วยความประมาทของเขาผู้นั้นเช่นกล่าวมานี้ย่อมจะบันดาลให้เป็นไปเพื่อไม่ให้เขาได้ลาบที่ยังไม่ได้เพื่อเสื่อมลาบที่เขาได้มาแล้วแม้ในโลกที่เห็นเห็นกันนี้ทีเดียวกล่าวคือ ชื่อเสียงอันเลวทรามของเขาซึ่งมีการเบียดเบียนสัตว์นั้นเป็นเหตุย่อมกระพือสะพัดไปเมื่อเข้าสู่สมาคมเขาจะเป็นคนไม่กล้ากล้าไม่สง่าผ่าเผยครั้นถึงคราวตายเขาจะเป็นคนหลงตายเมื่อแตกกายตายไปแล้วทุกติภูมิเป็นสิ่งที่เขาต้องหวังได้และภายหลังเมื่อเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในสุขติภูมิ เขาจะเป็นคนได้ชาติกำเนิดเลวมีตระกูลตำ่ำจะเป็นคนมีผิวพรรณสามน่าเกลียดน่าชังเขาจะเป็นคนมีโรคาพาดมากเขาจะเป็นคนตกทุกข์ได้ยากมีข้าวน้าโภชนะอาหารบกพร่องเขาจะเป็นคนมีอายุสั้นมีชีวิตอยู่ในโลกนี้น้อยชะนีโยคีบุคคลจงพิจารณาให้เห็นโทษของวิหิงสา คือการเบียดเบียนสัตว์อย่างปราศจากกรุณาอันสืบเนื่องติดสันดานคนมาเป็นอนเนกประการเช่นที่พันนนามานี้ครั้นแล้วจงพิจารณาให้เห็นอณิสงของกรุณาคือความสงสารสัตว์โดยประการตรงกันข้ามกับโทษวิหิงสาตามที่พันนนามาแล้วเมื่อเห็นโทษและคุณเด่นชัดแล้วจึงเริ่มลงมือเจริญกรุณาก ร, ากรมฐาน โดยวิธีการแห่งภาวนาดังจะได้แสดงต่อไปห้ามเจริญในคนห้าจำพวกอันดับแรกก็แลเมื่อโยคีบุคคลเริ่มแรกจะเจริญกรุณากรรมฐานนั้นจงอย่าเจริญเป็นในบุคคลห้าจำพวกนี้เป็นอันดับแรกคือคนที่รักหนึ่ง เพื่อนที่รักมากหนึ่งคนเป็นกลางกลางหนึ่งคนที่เกลียดชังหนึ่งและคนคู่เวรหนึ่งเพราะคนเป็นที่รักก็ยอมตั้งอยู่ในฐานะของคนเป็นที่รักเพื่อนที่รักมากก็ตั้งอยู่ในฐานะเพื่อนที่รักมากคนที่เป็นกลางๆงก็ตั้งอยู่ในฐานะคนเป็นกลางๆงคนที่เกลียดชังก็ตั้งอยู่ในฐานะคนที่เกลียดชังและคนคู่เวร ก็ตั้งอยู่ในฐานะคนคู่เวรอย่างเดิมนั่นเองไม่ใช่เป็นวิสัยที่จะทำให้เกิดการุณาในอันดับแรกได้อธิบายว่าเมื่อโยขีบุคคลผู้ปรารภจะเจริญการุณาไปในคนที่รักนั้นภาวะแห่งความรักยังมิได้พากออกไปจากจิตเมื่อความรักยังมิได้พากออกไปการุณาก็จะเกิดแทรกขึ้นในจิตไม่ได้ เป็นธรรมนิยมดังนี้แม้ในบุคคลนอกนี้ก็เป็นธรรมนองเดียวกันเพราะเหตุนี้จึง้ามีให้เจริญกรุณาไปเป็นอันดับแรกในบุคคลห้าจำพวกนั้นส่วนคนเพศตรงข้ามกับคนที่ตายแล้วไม่เป็นเขตที่ควรจะนำมาเจริญเป็นอารมณ์ของกรุณากรรมฐานตลอดการ เพราะเหตุดังที่แสดงไว้ในเมตตาภาวนานั่นแหละคนที่ควรเจริญกรุณาถึงอันดับแรกที่หนึ่งโดยเหตุที่พระพุทธองค์ได้ตรัสแสดงเป็นแบบอย่างไว้ซึ่งมีปรากฏในคำพีวิพังปรกรณ์ดังนี้ภิกษุผู้มีจิตประกอบด้วยกรุณายอมแผ่กรุณาจิตไปทางทิศหนึ่งอยู่นั้น คือทำอย่างไรภิกษุผู้มีจิตประกอบด้วยการุณายอมแผ่การุณาจิตไปยังสัตว์ทั้งปวงทุกๆจำพวกเหมือนอย่างที่ได้เห็นคนอื่นซึ่งเข็นใจได้ทุกซ้าประกอบด้วยบาป ก, กรรมทำชั่วคนหนึ่งแล้วเพิ่งเกิดความการุณาขึ้นฉะนั้นดังนั้นโยคีบุคคลเมื่อได้เห็นใครๆข้อตามซึ่งเป็นคนที่น่าสงสาร ได้ประสบความลำบากอย่างยิ่งเป็นคนเขียนใจได้ทุกประกอบกรรมทาทุจริตเป็นคนกำพรา้าขาดอาหารวางกระเบื้องขอทานไว้ข้างหน้านั่งอยู่ในโรงพักคนอนาถามีหมูนอนไต่ออกจากแผลที่มือและเทา้าส่งเสียงครวญนคร่ำพร่ำพรรณนาอยู่ชนนี้แล้วพึงยังกรุณาจิตให้เป็นไปในคนเช่นนั้นเป็นอันดับแรกก่อนกว่าคนทุกจาพวก ด้วยบทภาวนาว่ากิจชังวตายังสัตโตอาปันโนอเปวะนามะอิมมหาทุกขามุจเจยะสัตผู้นี้ประสบความลำบากแท้หนอขอจงพ้นจากทุกนี้เสียธนาอีกแบบหนึ่งว่าอายังสัตโตทุกขามุจจตุขอสัตผู้นี้จงพ้นจากทุกเสถเิด สำหรับตั้งแต่สองคนขึ้นไปว่าเอเตสัตาทุกขามุจจนตุขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงพ้นจากทุกเสเถิดหรือว่าสเพสัตาทุกขามุจจนตุขอสัตว์ทั้งปวงจงพ้นจากทุกเสถิดด้วยภาวนาวิธีนี้โยคีบุคคลจงพยายามภาวนา คือส่งจิตอันประกอบด้วยกรุณาไปพร้อมกับบทภาวนานั้นๆอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนให้กรุณาปรากฏขึ้นในใจอย่างเด่นชัดจนสำเร็จถึงขั้นอั ป, ปนาฌานเป็นที่สุดทำนองเดียวกับเมตตาภาวนานั่นแหละคนที่ควรเจริญกรุณาถึงอันดับแรกที่สองในกรณีที่โยขีบุคคล ไม่ได้พบเห็นคนเข็นใจได้ทุกเช่นที่กล่าวแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเป็นอันดับแรกจงเจริญกรุณาไปแม้ในบุคคลผู้มีความสุขแต่ชอบทำบาปกรรมอยู่โดยยกขึ้นมาเปรียบเทียบกับคนที่กำลังจะถูกประหารชีวิตจะพึงปฏิบัติอย่างไรพึงปฏิบัติดังต่อไปนี้เหมือนอย่างว่าพวกราชบุรุษ จับโจรพร้อมทั้งของกลางได้แล้วเมื่อพระราชามีพระราชโองการให้ประหารชีวิตจึงมัดโจร น, นั้นแล้วลงแท้ครั้งละสี่เส้นจนถึงร้อยครั้งแล้วนำไปสู่ที่ตลาดแกงเพื่อจะทำการประหารชีวิตขณะนั้นมนุษย์ทั้งหลายเห็นแล้วพากันให้ของเคี้ยวบ้างของรับประทานบ้างให้ดอกไม้ของหอมเครื่องไล้ทาและหมากพลูบุหรี่บ้างแกโจร น, นั้น แม้ว่าโจรนั้นจะได้เคี้ยวกินอยู่บริโภคใช้สอยอยู่ซึ่งสิ่งของเหล่านั้นยังบริบูรณ์ดูคล้ายๆกับคนมีความสุขคนที่เพียบพร้อมด้วยโภคาสมบัติก็จริงแต่ก็ไม่มีใครเลยที่จะสําคัญเห็นว่าโจรนี้มีความสุขมีโภคทรัพย์มากมีแต่จะ ก, กรุณาสงสารเขาโดยฝ่ายเดียวว่าเจ้าโจรเนี่ยจะต้องตายอยู่เดี๋ยวนี้แล้ว เพราะเขาใกล้ต่อความตายเข้าไปทุกๆฝีเท้าที่เขาย่างไปดังนี้ฉันใดแม้โยคีบุคคลผู้เจริญกรุณากรรมฐานก็เหมือนกันพึงส่งกรุณาจิตไปนในคนที่มีความสุขแต่เป็นผู้ชอบทาแต่บาปกรรมนั้นอย่างนี้ว่าคนผู้นี้ถึงแม้ขณะนี้เขาจะมีความสุขเพียบพร้อมอยู่ด้วยการสวยสุข และบริโภคใช้สอยภพคสมบัติอย่างสมบูรณ์พูนสุขก็ตามแต่เข้าจักต้องได้เสวยทุกกายทุกใจอย่างมิใช่น้อยในอบายภูมิทั้งหลายในภายหน้าเพราะเหตุที่เขาไม่ทำกัลยาณกรรมไว้ด้วยกายทวารวจีทวารและมโนทวารแม่สักทวารเดียวหรือจะใช้บทสำหรับภาวนาดังที่แสดงไว้ข้างต้นนั้นก็ได้ ด้วยประการชนนี้เป็นอันว่าคนที่ควรเจริญกรุณาไปถึงเป็นอันดับแรกนั้นมีสองจำพวกคือคนเข็นใจได้ทุกหนึ่งคนที่มีความมั่งมีสีสุขแต่ชอบทำแต่บาปกรรมหนึ่งชนนี้เจริญกรุณาไปในคนที่รักเป็นต้นเมื่อโยกีบุคคล ได้เจริญกรุณาไปในบุคคลจำพวกแรกโดยภาวนาวิธีดังแสดงมาอย่างนั้นแล้วอันดับต่อจากนั้นพึงเจริญกรุณาให้เป็นไปในบุคคลตามลำดับดังนี้คือคนที่รักถัดนั้นคนเป็นกลางๆงถัดนั้นคนคู่เวรด้วยภาวนาวิธีดังที่แสดงมาแล้วนั้นในการปฏิบัติโยคีบุคคล พึงเลือกยกเอาส่วนแห่งทุกข์ของคนที่รักซึ่งปรากฏเห็นอยู่ในชาติปัจจุบันหรือที่จะเกิดแก่เขาในชาติต่อไปแล้วจึงเจริญกรุณาให้เป็นไปในคนที่รักต่อจากนั้นพึงเลือกยกเอาส่วนแห่งทุกข์ของคนเป็นกลางที่ปรากฏเห็นอยู่ในชาติปัจจุบันหรือที่จะบังเกิดมีแก่เขาในชาติต่อไปแล้วจึงจเจริญกรุณาให้เป็นไป ในคนเป็นกลางกลางต่อจากนั้นพึงเลือกยกเอาส่วนแห่งทุกข์ของคนคู่เวรที่ปรากฏเห็นอยู่ในชาติปัจจุบันหรือที่จะเกิดมีแก่เขาในชาติต่ อ, ตอไปแล้วจึงเจริญการุณาให้เป็นไปในคนคู่เวรชะนี้อธิบายว่าคนสองจำพวกซึ่งเป็นที่ตั้งของการุณาที่แสดงมาในอันดับแรกนั้น ย่อมเป็นเหตุให้กรุณาภาวนาสำเร็จโดยง่ายก็จริงแต่โยกยีบุคคลอย่าได้พอใจอยู่เพียงเท่านั้นต้องทำกรุณาภาวนาในคนสองจำพวกนั้นในคนใดคนหนึ่งให้คล่องแคล่วจนมีจิตอ่อนนุ่มนวลควรแกการงานแล้วลาดับนั้นพึงเจริญกรุณาให้เป็นไปในคนที่รักลำดับต่อจากนั้นในคนเป็นกลาง ลำดับต่อจากนั้นในคนคู่เวรทั้งนี้เพื่อทำการุณาให้เป็นสีมาสำเพ่ต่อไปในทางปฏิบัตินั้นโยคีบุคคลต้องทำจิตให้อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานในส่วนแห่งบุคคลแต่ละประเภทนั้นๆส่วนหนึ่งหนึ่งคือทำให้ชำนาญด้วยวสีทั้งห้าเสียก่อน คั้นแล้วจึงเจริญกรุณาไปในบุคคล น, นั้นๆตามลําดับวิธีการเจริญกรุณากรรมฐานในบุคคลตามลําดับนี้พึงทราบโดยทํานองเดียวกันกับที่แสดงไว้ในเมตตากรรมฐานทุกประการส่วนโยคีบุคคลผู้ไม่มีคนคู่เวรหรือผู้ไม่มีความผูกเวรกับใครๆทั้งๆที่มีคนทําความเสียหายให้อยู่ เพราะเป็นชาเชื้อมหาบุรุษมีอัทยาศัยอันกว้างใหญ่นั้นไม่จำต้องทำความขวนขวายในกรณีที่ว่าจิตของเราอ่อนนุ่มนวลควรแกการงานแล้วบัดนี้เราะจะส่งกรุณาจิตเป็นในคนคู่เวรดังนี้เพราะกรณีที่จะต้องปฏิบัติเช่นนั้นเฉพาะแต่โยคีบุคคลผู้มีคนคู่เวรเท่านั้น ในการเจริญกรุณาไปในคนคู่เวร น, นั้นถ้าแหละความโกรธแค้นจะพึงเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลโดยทำนองที่แสดงไว้ในเมตตาภาวนานั้นโยคีบุคคลพึงทําการบรรเทาความโกรธแค้นนั้นให้ระ ง, งับลงโดยอุบายวิธีต่างๆ่ดังที่แสดงไว้ในเมตตาภาวนานั่นแหละเช่นต้องหวนกลับไปเจริญกรรมฐานในบุคคลจาพวกต้นต้นเสใหม หรือพิจารณาถึงพระพุทธโอวาต่างๆมีพระโอวาในกะกะจูปมสูตรเป็นต้นเจริญกรุณาในคนทำดีและมีความสุขการเจริญกรุณากรรมฐานที่แสดงมาแล้วนั้นเป็นการเจริญไปในคนที่ตกทุกข์ได้ยากในชาติปัจจุบัน และคนที่มีความสุขในปัจจุบันแต่จะได้ประสบทุกข์ในชาติหน้าคราวนี้จะแสดงวิธีการเจริญกรุณากรรมฐานในคนที่มีความสุขและได้ทำแต่ความดีไม่ได้ทำความชั่วเลยสำหรับคนผู้มีความสุขอย่างเพียรพร้อมและทำแต่คุณงามความดีมาโดยตลอดนั้นเมื่อโยคีบุคคลได้เห็นเขาประสบกับความสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นความสูญเสียญาติที่รักหรือเกิดเป็นโรคภัยได้เจ็บหรือเกิดความสูญเสียภกทรัพย์เป็นต้นหรือแม้ไม่ได้เห็นด้วยตาเพียงแต่ได้ทราบข่าวเช่นนั้นก็ตามแล้วพึงเจริญการุณาในบุคคลเช่นนั้นโดยคลุมคลุมเอาทั้งหมดอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ก็นับว่ายังเป็นคนมีทุกข์อยู่นั่นเทียว เพราะแม้ถึงเขาจะไม่มีความสูญเสียอะไรๆเลยสักอย่างเดียวก็ตามแต่ก็นับได้ว่าเป็นคนยังไม่ข้ามพ้นทุก์ในวัตะสงสารอยู่นั่นเองฉะนี้การุณาสีมาสำเพทครั้นแล้วโยคีบุคคลพึงทำาารุณาให้เป็นสีมาสำเพทในบุคคลสี่จำพวก คือตนเองหนึ่งคนที่รักหนึ่งคนเป็นกลางกลางหนึ่งและคนคู่เวรหนึ่งโดยพยายามเจริญกรุณากรรมฐานเล่าแล้ว เ, เล่าด้วยภาวนาวิธีจนทําให้จิตเกิดขึ้นเสมอกันในบุคคลสี่จำพวกนั้นฉันเดียวกับในเมตตาภาวนาบรรลุถึงอัปปนาชาน ต่อแต่นั้นโยคีบุคคลพึงสองเสพให้หนักขึ้นซึ่งนิมิตกรรมฐานอันได้แก่สีมาสําเพทนั้นทำนิมิตให้เจริญขึ้นมากๆภาวนาให้มากๆเข้าพึงยังอปปนาชาญให้เกิดก้าวหน้าขึ้นไปด้วยสามารถแห่งชาญสามโดยจตุกกะในและชาญสี่โดยปัญจกนในโดยทํานองที่ได้แสดงมาแล้วในเมตตาภาวนาทุกประการ ส่วนในอัธกถาอังคุตระนิกายท่านได้กล่าวลำดับคืออารมณ์ของการเจริญการุณาภาวนาไว้ดังนี้ว่าบุคคลที่เป็นศัตรูประโยคหาวจรพึงเจริญการุณาให้ก่อนเพื่อนทำจิตให้อ่อนในบุคคลผู้เป็นศัตรูได้แล้วจึงเจริญการุณาให้คนทุกขตะแต่นั้นให้บุคคลที่รักต่อ น, นั้นให้ตน ดังนี้ลำดับที่กล่าวในอัถกถาอังคุตรานิกายนั้นไม่สมกับพระบาลีในวิพังที่มีคำว่าทุกขตังทุรูปเปตังแปลว่ายากแค้นแสนเข็นเป็นต้นเพราะเหตุนั้นประโยคาวจรพึงเริ่มทำภาวนาในกรุณานี้ตามในยะที่กล่าวแล้วนั่นแหละแล้วทาสีมาสำเพทอย่างอัปปนาให้เจริญเถิด ด้วยประการชนนี้เป็นอันว่ายโยคีบุคคลผู้เจริญกรุณาพรหมวิหารได้ปฏิบัติถึงขั้นสุดยอดแห่งกรุณากรรมฐานนี้โดยสมบูรณ์แล้วแลวิธีการแผ่กรุณาสามอย่างลำดับต่อไปนี้ผู้ปฏิบัติ พึงศึกษาให้เข้าใจในวิธีการแผ่กรุณาสามอย่างตามที่ท่านแสดงไว้ในคำภีปฏิสัมพิธามาักดังนี้คือการแผ่กรุณาอย่างไม่เจาะจงที่เรียกว่าอนุทิโสภรณาโดยอาการห้านั้นอย่างหนึ่งการแผ่กรุณาอย่างเจาะจงที่เรียกว่าโอทิโสภรณาโดยอาการเจ็ดนั้นอย่างหนึ่ง การแผ่กรุณาไปในทิศ ท, ที่เรียกว่าที่สาภารณนาโดยอาการสิบนั้นอย่างหนึ่งซึ่งมีอาการแห่งภาวนาวิธีดังต่อไปนี้อนโนทิโสภารณาคำแผ่กรุณาไม่เจาะจงโดยอาการห้าสเพสัตตาทุกขามุจจันตุขอสัตว์ทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิด สั centre, king, พเพปานาทุกขามุจฉันตุขอปานาทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดสัพเพภูตาทุกขามุจฉันตุขอพูดทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดสัพเพปุคลาทุกขามุจฉันตุขอบุคคลทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดสัพเพอตตาภาวะปริยาปันาทุกขามุจฉันตุ ขอผู้มีอัตภาพทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดโอทิโสภาลนาคำแพ่กรุณาเจาะ จ, จงโดยอาการเจ็ดสภะอิติโยทุกขามุดจันตุขอสตรีทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดสัพเพปุริสาทุกขามุดจันตุขอบุรุษทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิด สัพเพอริยาทุกขามุจันตุขอพระอริยาเจ้าทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดสัพเพอนริยาทุกขามุจันตุขอปุถุชนทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดสัพเพเทวาทุกขามุจันตุขอเทวดาทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดสัพเพมนุษยาทุกขามุจันตุ ขอมนุษย์ทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดสัพเพวินิปาติกาทุกขามุจันตุขอพวกสัตว์วินิปาติกาทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดทิสาภารณาวิธีการแผ่กรุณาไปในทิศโดยอาการสิบวิธีการแผ่กรุณาไปในทิศนั้นคือยกเอาอานทิสโสบุคคลห้าจำพวก โอที่โสบุคคลเจำพวกรวมเป็นส2บองบุคคลไปตั้งไว้ในทิศทั้ง1ิบแล้วแผ่กรุณาไปในบุคคล12บสองจำพวกที่อยู่ในทิศทั้ง1ิบนั้นจึงเรียกว่าแผ่ไปในทิศโดยอาการแห่งภาวนา1ิบอาการเมื่อว่าโดยบุคคลเป็นส2องวาระตัวอย่างดังต่อไปนี้คำแผ่กุณาในทิศโดยอาการสิบวาระที่หนึ่ง ในบุคคลที่หนึ่งสัพเพปุริติมายะทิส า, ายะสัตตาทุกขามุจจันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศบุรภพาจงพ้นจากทุกเถิดสัพเพปัชชิมายะทิสายะสัตตาทุกขามุจจันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิประจิมจงพ้นจากทุกเถิดสัพเพอุตรายะทิสายะสัตตาทุกขามุจจันตุ ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอุดรจงพ้นจากทุกเถิดสัพเพทักขิณายะทิ่สายะสัตตาทุกขามุจจันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศทักษินจงพ้นจากทุกเถิดสัพเพปุรัตติมายะอนุที่ส aya, ายะสัตตาทุกขามุจจันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอาคเนจงพ้นจากทุกเถิดสัพเพปัจฉิมายะ อนุธิสายะสัตตาทุกขามุจจันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศย์พายับจงพ้นจากทุกเถิดสัเพอุตรายะอนุธิสายะสัตตาทุกขามุจจันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิอิสานจงพ้นจากทุกเถิดสัเพทคินายะอนุธิสายะสัตตาทุกขามุจจันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิฏฐอรดี จงพ้นจากทุกเถิดสัพเพเหตุิมายะที่สายะสัตตาทุกขามุจจันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องต่ําจงพ้นจากทุกเถิดสัพเพอุปริมายะที่สายะสัตตาทุกขามุจจันตุขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนจงพ้นจากทุกเถิดส่วนคําแผ่กรุณาไปในทิศโดยอาการ1ิบ ในบุคคลอีกสิบเอจำพวกตั้งแต่จำพวกที่สองคือสัพเพปานาปานะทั้งปวงถึงจำพวกที่สิสองสัพเพวินิปาติการพวกสัตว์วินิปาัติกะทั้งปวงนั้นผู้ปฏิบัติจงนำมาประกอบเรื่องทำนองเดียวกับบุคคลที่หนึ่งต่างแต่ต้องยกเอาบุคคล น, นั้นนั้นมาประกอบแทนตรงที่ว่าสัตตาในคำบาลีกับตรงที่ว่าสัต ในคำไทยเท่านั้นเห็นว่าผู้ปฏิบัติสามารถที่จะนำมาประกอบได้เองจึงไม่ยกมาแสดงเวทเต็มรูปในที่นี้การุณาอัปปนา132าในการุณาภาวนานี้เมื่อโยคียบุคคลปฏิบัติจนได้สำเร็จถึงขั้นอัปปนาฌานและทำการแผ่การุณาจิตไปโดยอาการห้า ในอนุที่โสบุคคลโดยอาการเจในโอทิโสบุคคลและโดยอาการ10บในบุคคล12จำพวกโดยภาวนาวิธีดังแสดงมาก็จะได้อัปปนาชาทั้งหมด132อบัปปนาในอนทิโสภาวนาหในโอทิโสภารนาเจในทิสาภาณนา120รรวมเป็น132 อา น, นิสงส์งการุณาก็แลโยคีบุคคลผู้เจริญการุณาภาวนาจนสำเร็จถึงขั้นอปนาฌานเป็นฌานลาภีบุคคลแล้วย่อมมีอันวังได้ซึ่งอา น, นิสงส์แห่งกรุณาสิบเอ็ดประการมีนอนเป็นสุขเป็นต้นฉันเดียวกับเมตตาภาวนาทุกประการนั่นเทียวจบการุณาภาวนา